เขาอยู่ในตารางในคุกเขาก็ยังมีการสนุกสนานเป็นลำก็ได้ร้องเพลงก็ได้เป็นพระเพ็นเนนในศาสนาไปทําเช่นนั้นไม่ได้อยากกินอะไรคือมากินได้ทํากินได้นี่คือพวกนักโทษในตารางแต่พระเนนไม่ได้การกินก็มีกำหนดขอบเขตการพูด การทำก็มีขอบเขตจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนลำบากหากพิจารณาไปในทางผิดแต่พิจารณาไปในทางถูกโชคลาบอันใหญ่หลวงไม่มีใครที่จะเหนือไปมีโชคดีเท่ากับ น, นักบวชนักบวชที่สอนตัวดีฝึกตัวดีอบรมตัวดีมีจิต มีจิตสบายไม่วุ่นวายทั้งทางนอกทางในมีใจสงบจากกิเลสตัณหาหน้าบูชาหน้ากราบ ว, ว่าแล้วก็มีคุณค่าสูงมีคนนิยมชมชอบถึงคนนั้นจะไม่มีการศึกษาทางโลกมาก่อตาม แต่จิตใจของท่านสูงจิตใจของท่านดีเด่นเห็นประจักษ์ในการละการถอนีิเลตัญหาอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสุขคโตไม่ก่อวนความเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อเป็นอย่างนี้คนชัานดีศึกษามาสูงตลอดถึงพระราชาก็กราบว่าบูชา เพราะเขาทำไม่ได้เขาจึงกราบไหว้ บ, บ, บูชาหากเกลียวไหลชั่วช้าหาความสงบหาความสุขอะไรไม่มีถ้ า, าชัางส่เป็นนักบวชตัวเองก็ต้งหนตัวเอ ง, เองจะให้เขาเหลื่อมใสเขายินดีเต็มใจอะไรไม่มีกายก็ไม่สงบบ่าจ้าก็ไม่สงบจิตก็ชิดวงฝูงไปในทางชั่ว คิยามาระยาทุกอย่างหาทางสงบสวยงามไม่ได้ใครอยากจะกล่าวจะว่าใครต้องการคนไม่ดีไม่งามอย่างนั้นไม่มีใครต้องการตัวของตัวเองกุยังเดือดร้อนจึงควรแนะควรสอนควรที่นี่ทเจอน่ะศึกษากระทำำําบําเพ็ญคุณงามความดีพิจารณาสติปัฏฐานพิจารณากายของตัว ก า, กายสัตย์เทวกายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัต์บุคคลตัวตนเราเขาเราเข้าใจจริงหรือไม่หรือได้แต่งต่ตํำราท่านเขียนเอาไว้ถ้าหากรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นความกําหนัดเพลิดเพลินความลุ่มหลงมันไม่มีเพราะเหตุใดเพราะสัตเทวอ า, าเท่านั้นมันไม่มีความจริงจะมีหญิงมีชาย มีสัตว์มีบุคคลมาจากไหนผมก็ยังว่าผมขนก็ยังว่าขนเลบฟันก็ยังว่าเล็บว่าฟันสมมติให้แยกออกไปมันไม่มีอะไรสัตว์เ่วกรรมถ้าพิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่ยินน้ำไฟลมมันก็เป็นอย่างนั้นที่ประกอบกันอยู่เข้าใจตามเป็นจริงไม่มีหญิงมีชายมีสัตว์มีบุคคลมันจะไดกำหนัดรุมหลงเพิดเพลินมัวเมาอย่างไร ยังหง า, า, ายใจนะกายเมื่อนี้อยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่กับพวกเราทุกคนไม่ใช่หรือจะเอาเวลาใดประพฤติปฏิบัติจะไปที่ไหนจะหาใจบริสุทธิ์ถ้าหากเมืนที่นี้ที่จะทําแล้วมันไม่มีทางจะอยู่ในป่าลึกสงบสงัดขนาดไหนอยู่ในถ้าในรูขนาดไหนพวกงูพวกสัตว์ป่ามันเคยอยู่แต่กิเลสตัณหามันกลมีง พอเหตุใดเพราะขาดการที่นิพพานะขาดการปฏิบัติเมื่อเรามาบวชอยู่ในที่สงบส ง, งัดพอสมควรไม่มีการงานอะไรยุ่งทางกายทางใจให้เริ่มที่นิพพานะาให้เริ่มชำร ะ, ะสระสารใจของตัวเพราะก่อนข้องทำแท้ๆเรื่องของการพิจรารณาแยบคลายเท่าไหรจะมีทางละถอนปล่อยวางไปเถ่านั้นถ้าพิจรารณาในทางอัดทางทำ พิจารณาทางโลโกก็ตีดข้องลุ่มหลงเพลิดเพลิน ม, มัวเมาเศร้าหมองผลที่สุดความคิตของตัวนั่นแหละเผาตัวของตัวสั้งหารตัวของตัวให้อยู่ในที่สุขที่สงบไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาผลักดันอยู่ในวัดในวาอยู่ไม่ได้อยู่ในที่สงบสงัดไม่ได้ตาไม่เห็นไม่สนุกไม่สบายหูไม่ได้ยินไม่สบาย นี่คือใจมันปรุงไปคิดไปในทางต่ำทางเสียถ้าจึงหักห้าให้มีสติให้มีปัญญารักษาตัวของตัวเองคือรักษาจิตไม่ให้คิดปในทางต่ำทางเสียอย่างนั้นสติปัญญาจึงเป็นสันเเละขัดทำสำหรับกําจัดขัดเปล่าเรื่องกิเลสตัญหาขัดเปล่าใจของตัว ที่เต่าหม้อขุนมัวให้สะอาดที่ชั่วที่เสียให้ดีที่ฟุ่งตรงให้สงบยิ่งควรทุกคนที่เป็นนักบวชจะสนใจนำไปกำหนดที่นี้พิจายนาเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบททุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอปะณยโกสามารถน้อมมาที่นี้พิจารนาเพื่อขับไล่กิเลสตัณหาของตัวได้ ได้มันก็มีอยู่เวทนาสุขทุกข์เฉยมันก็มีอยู่ไม่ใช่มันไม่มีพระพุทธเจ้าที่ยานาของมีอยู่รูปของมีอยู่กำหนดของมีอยู่จิตที่เชิดรงต่างๆก็มีอยู่ทำแต่เป็นอกุศลหรือกุศลมันก็มีอยู่มันไม่ใช่มันไม่มีแต่ละท่านแต่ละคนมันมีทสมบูรณ์แต่ไม่ มีความฉลาดสามารถที่จะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีให้เป็นสาระได้เหมือนกันกับต้นไม้ที่ดินอะไรนี่อยู่ใช่ไหมรู้ว่าจะทำอย่างไรจะเอาไม้มาทำบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยไม่มีปัญญาตัดไม่เป็นเลียไม่เป็นก่อสร้างไม่เป็นผลที่สุดคนคนนั้นถึงจะ เกิดอยู่ในดงในป่าไม่อดอยากไม้อะไรก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะไม่ทราบว่าจะเอาไม้มาทําที่อยู่ที่อาศัยจะทําอย่างไรไม่มีวิชาไม่เรียนวิชาไม่ศึกษาการจระทําผลที่สุดก็อยู่ยากลําบากฝนตกไม่มีที่ปิดที่มุงที่บงัง มันก็จะต้องเปื้อนฝนแดดออกก็แผดเผาหาความสุขความสบายไม่ได้แต่คนที่มีปัญญาถึงไม่ได้เกิดในป่าเขาก็สแสวงหาห่างใกลขนาดไหนจะเห็นว่าเมือ่อหามาได้มาทำเป็นบานเป็นช่องถึงจะเหนื่อยยากลำบากในการกระทำแต่คุณค่ามันมีฝนตกฝน ล, ลงก็จะได้พึ่งพาอาศัย ลมมาก็จะเด็ดบ้างแดบดบมาก็จะไ่แฉบเขาเขาเห็นประโยชน์อย่างนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเย็งเงนหรือหมดเขาของเงินทองไปบ้างเขาก็สร้างที่อยู่ที่อาศัยเพราะเป็นเรื่องจำเป็นมาสร้างขึ้นก็มีความสุขเป็นเครื่องตอบสนองพระพุทธเจา้าหรืออริยะเจา้าท่านก็ทำนองนั้นท่านสร้างใจของท่านให้มีสาระให้มีหลัก ให้มีอักมีทำด้วยการที่นิพจณาของมีอยู่พิจารณากายพิ่เจ ร, าเรนาเวทนาจิตทำซึ่งพวกเราท่านทุกคนมีข้อมูลบริบูรณ์เราจะเอาที่ไหนความสุขของใจเราจะทําอย่างไรจึงจะสงบหรือจะให้ปล่อยให้มันลอยไปตามลมอยู่อย่างนั้นพอเราปล่อยมาแล้วไม่ทราบว่ากี่เดือนกี่ปี แต่ความสุขที่เราต้องการปรารถนามันมีหรือยังเกิดหรือยังสมบูรณ์หรือยังเพียงพอหรือยังถ้าหากมันไม่สมบูรณ์ไม่เพียงพอจะรอเวลาไหนหรือตายแล้วจึงจะทํามันที่นี้พี่เจนะแนะสอนตัวข้องตัวพอเราบวชมาศึกษาบวชมาขัดเกลากิเลตันหาบวชมาฝึกอบรมตัวไม่ใช่บวชมากินเข้าสุกปลาตายเท่านั้นหาจากความ สุขของกายใจจะวุ่นวายขนาดไหนไม่ยถึที่นี้พี่เจนะนักบวแบบนั้นใช่ไหมได้ต้องบวชมาฝึกมาอบรมกายใจของตัวและชั่วบำเพ็ญดีตัวของตัวก็มีความสุขความสงบแต่ตัวของตัวไม่มีความสุขความสงบไปสอนคนอื่นให้สุขให้สงบมันก็สอนยาก้าเขารู้เขาเห็นเขาเป็นภายในเขามาศึกษาเขา ก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปสอนเขาทั้งทั้งที่เราเป็นครูเป็นอาจารย์เข้ากล่าวเราว่าแต่ไม่มีคุณงามความดีอะไรอาจทาภายในใจไม่มีไม่ละอายเขาหรือตักเตือนตัวเองสอนตัวเองสม่ำเสมอจะมีความขยันมั่นเพียรขึ้นไม่ระวังรักษาตัวเองล่อยให้แต่อารมณ์สัญยาเกิดอยู่บ่อยๆคิดไปบ่อยๆกรุงไปบ่อยๆในทางชั่วทางเสียมันก็อยู่ไม่ได้ เขาบอกคนไม่มีบุญคนไม่มีบุญกินของทิพย์ไม่ได้เสวยของทิพย์ไม่ได้เทพบุตรเท ว, เทวดาผู้มีบุญในกินของทิพย์ในอยู่ปราสาทนี้มานทิพหนุ่งห่มของทิพย์กทสุสา ม, มาเณรผู้ประพฤติปฏิบัติในทางศาสนาผู้มีจิตสงบเยือกเย็นดับจีริย์ตัณหาท่านอยู่สบาย ฉัานได้ของทิพย์ทางจิตท่านก็มีธรรมหล่อเลี้ยงไม่มีการเรือร้อนขุ่นเคืองหุ่นวายทางกายของท่านก็อยู่สงบนี่คือของทิพย์เขาหามาให้ไม่ว่าอาหารการฉันไม่ว่าเครื่องนุ่งเครื่องห่งหมต่างๆเพราะอำนาจเขาเห็นแล้ว หน้าเลื่อมใสทําอะไรลงไปคงจะเกิดบุญเกิดกุศลแจกเขาเขาถือว่าพระเจ้าพระสงฆ์เป็นเหนือนาบุญของโลกคือพระเจ้าพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีเริ่มแต่สุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติ ด, ดีอุสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติตองยายะปฏิบัติเป็นธรรมสาเนจิชอบยิ่งทางกายก็ดีวาจาก็าดีใจก็ดี ตองต่อใจจิตขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่มีทางเสียหายปีแวะจากอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมไม่มีทางเสียหายเมื่อจิตของท่านเป็นธรรมรู้เห็นสภาพต่างๆตามเป็นจริงหลุดลอยออกไป จากสมมติใจไม่ข้องจิตจิตรุงในทางชั่วทางเสียต่างๆไม่มีอะไรที่จะไปก่อกวนหายใจของท่านเดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเจ้าสาวท่านบริสุทธิ์อย่างไรท่านทราบภายในใจถึงพระพุทธเจ้าจะบรินิพานานนานไปสอง0นหากว่าปีหรือจะหมื0นปีแสนปีล้านปีกว่าตางความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า น, นั้น ก็เหมือนกันกับความบริสุทธิ์ของเราพรวัตถิเจ้าหรือสาวุที่จะมาตัดสัตว์อีกในอนาคตข้างนั้นก็จะมีความบริสุทธิ์อย่างนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้ไม่มีทางสงสัยเมื่อเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นสามีจิตชอบประเสิฐเพราะความเห็นความเป็นในด่านปกิบัิไม่มีอะไรปกปิด เป็นปัด จ, จัดตังเฉพาะตัวอยู่อย่างนั้นแต่นั้นพวกเราท่านทีน่มีโชคดีได้มาบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติเพิ่งศึกษาเพิ่งตั้งหน้าจะทําบําเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ละจากคาราวาสถานที่ไม่ใช่บานเรือนเขาเรียกว่าวัดกติวิหารผ้าก็เหมือนผ้าเขาทุกสิ่งทุกอย่างเราแตกต่างจากคาาวาศีสะผมเที่เขาถือว่า สวยหรืองามแต่งทรงนั้นทรงนี้แล้วก็โกนทิ้งหนวดเล็บตัดผ่าพื้นใหญ่ๆก็มาตัดเป็นสบงจีวรไม่ดีหนุ่ทงทำพืนอย่างเขาทั้งทีงทโลกเขาหวงแหนไปตัดไปแย็บมันไม่น่าดูนี่เราตัดเราแย็บเพื่อจะให้พวกโจรมันจ่องมันมองมันเอาไปขายได้ง่ายดัง พผ่าที่ตัดแล้วหรือยอมแล้วขาอย่างผ <c oughs> ่าของพระของเนรเปนอย่างนั้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างคิดแตกแตกสงจากทะลุหัท่านเช่ไหมระลึกนึกว่าเราเป็นบรรพชิต ค, คิดอยู่สม่ำเสมออย่าไปคิดออกไปจากเขตของสมาชนะเขตของบรรพชิตเมื่อเราคิดได้เมื่อเราเป็นพระเป็นเนรเป็นบรรพชิตหน้าที่ของเราที่จะควรประพฤติปฏิบัติ ที่จ ะ, จะทมที่จะพูดเราก็ระวังได้เพราะใจรู้ใจเห็นว่่เราเป็นภาพเป็นเนนที่มันเผลอมันปรุงไปก็เพราะไม่ได้คิดว่าเพียรควตัวเป็นอย่างไรไม่ลายแว่เราคิดไปอย่างนั้นมันผิดมันถูกอย่างไรขาดมือ <c oughs> ความละอายแก่ใจอุตระกูความกลัวบาปกรรมชั่วต่างทางปฏิบัติถ่านจึงสอนยนโผลมา ภายในให้ที่ใจนาายใจของตัวอยู่สม่ำเสมอเมื่อเราล้วงตัวเข้ามาละเทศจากคารวะไม่มีสมบัติพัดสถานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยคนอื่นเรียงง่ายนุ่งหอมง่ายอยู่สะดวกสบายอย่าไปคิดใหญ่ไฟสูงด้านอื่นขอให้บำรุงจิตใจของตัวให้สะดวกให้สบายให้สงบ ให้ละถอนีิเลตปัญหานั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาของนักบวชไม่ต้องไปสร้างอันอื่นหนักหน า, นาให้ลำบากลำคาญสร้างใจของตัวให้ดีให้วิเศษและสิ่งอื่นจะถอยตามมาลาบสักการะหรือสิ่งต่างๆเพราะเขาสนใจที่จะสนับสนุนคนดีมีอยู่ไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบัน ถ้าหาอท่านองค์นั้นท่านผู้นั้นประพฤติปฏิบัติดีแล้วหมดอยากแล้วคนเขารบเขาเรื่อมใสเพราะตัวของท่านเองท่านก็เห็นความดีความเด็ดของท่านถึงจะอดอยากลำบากอยากจนทางสมบัติหายหนออแต่จิตใจท่านก็สมบูรณ์สะดวกสบายไม่วุ่นวายอยากอันนั้นอยากอั น, นความพอดีของใจมันมีแหละคือความรู้ความเห็นในอดในธรร นักบวชทุกคนจึงควนรสนใจและสอนตัวฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติและเป็นหน้าที่ของพวกเรานักบวชโดยเฉพาะจึงควรทีนิตที่เจอหนาะควรศึกษาควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เกิดให้เก็ น, กนแล้วจะเป็นสุขคัตโตอยู่กสบายไปก็สบายตายก็สบาย สบาอย่างไรจะทราภายในใจของตัวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยต่างที่ทุกท่านจะต้องเห็นด้วยตนเองอย่างนั้นพยายามจะทําพยายามบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดจะเป็นขึ้นได้เพราะทํามหมั่นความข ย, ยันแต่ทาถึงมีน้อยกว่าจะมากขึ้นเพราะหามาเพิ่มเติมบ่อย ใจที่จะมีอา จ, จ, ม, อา จ, จมีทำได้กพเพราะอาศัยการกระทำบำเพ็ญเรื่อยๆไปสติกล้าปัญญาคมเรื่อยๆพอเราฝึกเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นข้าศึกใจใจิตใจใจก็จะกลัวไม่มีโอกาสเวลาจะม า, าเชิญหน้าพวกเราอีกพะมันกลัวกูมีอา จ, จมีทำเรื่องที่เหลืันหา ต้อพากันนําไปที่นิพิจ น, นาศึกษาแล้ว พ, พ, พ, พึพ่งปฏิบัติพอเป็นนาทีข้อควรเราทานทุกคนหาทุกคนสนใจหาทุกคนรพึ่งปฏิบัติอย่างนั้นความสุขทวามสบายก็ไม่ใส่ขันคนอื่นจะมาแบ่งเอาจากเราไปตัวของเราฝึกฝึกฝึปฏิบัติมีอาจมีธรรมะเท่าไรก็ไม่นักกายหนักใจไม่ต้องหาพาชนะอันอื่นมาหลากเห็นอยู่ในโลก กว่านะบายตายไปกว่าสะดวกเหมอีอา น, นิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นจงพากันที่นี้ที่แจอนะลงมือกต่ทำมั่นเพ็ินการอธิบายธรรมะควรเห็นว่าพอสมควรทีเวลาเดีบัง